อินโนเวทีฟยูนิเวอร์ซิตีสิบสองมารสิงหามาบรรจบวาระครบวันเฉลิมเผาพิราศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาศราชพร้อมใจอภิวาทบาทยุคนน้อมรำลึกพระมหาการุณธรรมอันเลิศล้ำฉ่ำเย็นเป็นสุภผลพระทรงแผ่เมตตา ทั่วสากลราชมงคล น, นบน้อมอัญเชลีอัญเชิญคุณไตรรัตน์พิพัฒน์ผลบรรดาลโดนหทัยเปรมกเกษมศรีทรงบรรลุจตุพรบวรทวีเสริมศักดิ์ศรีนารีนาฏของชาติไทยพระชนยั่งยืนยงทํารงมั่นพระศีวันพริงเพลิดเลิศสดใส ทรงสุขเพิ่มเสริมพลาอนามัยเฉลิมชัยจั ก, กรีวงทรงพระเจริญโดยกล่าวโดยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระอีกครั้งหนึ่งเ อ, อสัปดาห์ก่อนนั้นพูดกันถึงเรื่องลูกติดโทรศัพท์มือถือแล้วแม่ก็ไปแก้ปัญหาด้วยการเอาอายแชโดว์สีดำไปทารอบขอบตาลูกตอนที่ลูกยังหลับอยู่พอตื่นมาก็ให้ลูกดูกระจกแล้วก็หลอกลูกว่านั่นแหละผลของการเที่ยว ดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่เป็นไงละ่ะหน้าตาก็เลยเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องทีเ่เราได้พูดกันในสัปดาห์ก่อนแล้วว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือไม่ถูกอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยมาเจอนอกเหนือจากการที่ลูกติดโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเจอเหมือนเหมือนกันคือลูกดือ้อลูกซนลูกชอบใช้กำลัง อันนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรข้อมูลจากพันทิปนี่มีคนไปโพสต์ขึ้นมาก่อนอย่างนี้ว่าตั้งแต่เริ่มโตหมายถึงลูกเนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีนิสัยชอบใช้กำลังเตะต่อยบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเคยมีฮีโร่จากการ์ตูนจากภาพยนตร์เป็นอุลตร้าแมนเพราะว่าดูแต่การ์ตูนอุลตร้าแมนคืออาจจะไม่ได้ดูตลอด ดูแค่เป็นเวลาหรือไม่ก็ตามที่พ่อแม่อนุญาตแต่นี้พอตัวเองมีน้องขึ้นมาห่างกันประมาณสักสามขวบก็เริ่มเรียนแบบพฤติกรรมพาออกไปข้างนอกนี่ไม่ได้เลยต่อสู้ทั้งพี่ชายน้องชายเนี่ต่อสู้วุ่นวายเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาคว้างปลาข้าวของกันไป คนที่มาตั้งกระทูในี่บอกยอมแพ้เลยพูดดีก่อนแล้วขู่ก่อนแล้วปลอบก่อนแล้วถึงขนาดบางทีก็ตีด้วยซ้ำไปแล้วก็บางทีไปข้างนอกสั่งอาหารมายังไม่ได้กินซกักคำหนึ่งก็มีเหตุว่าวุ่นวายจนต้องห อ, อกกลับไปกินที่บ้านตอนนี้ก็เลยไม่ให้ลูกออกไปไหนเลยกลัวว่าจะไปสร้างความวุ่นวายรบกวนคนอื่นแล้วก็ เริ่มจะไม่ค่อยรักลูกเหมือนเดิมแล้วอาจจะลูกโตขึ้นโตขึ้นมั้งเขาก็เลยมาโพสต์ว่าควรทำยังไงดีคะสุขภาพจิตแม่แย่มากเลยตอนนี้ <c oughs> มีคนมาแสดงความคิดเห็นหลายคนเช่นว่าก็ลูกอะ่ะเด็กมันก็ยังเด็กอะ่ะจะเอาอะไรกันมานักหนาขณะที่บางคนบอกว่าก็เพราะยังเด็กไง เหมือนที่เราบอกว่าไม้อ่อนนะมันยังพอที่จะดัดได้ไม้แก่เนี่ยมันจะดัดจะงออะไรมันก็ยากถ้าไม่กำราบแต่ตอนต้นโตขึ้นจะกลายเป็นนักเลงไปหรือเปล่าก็มีหลายมุมมองมีคนหนึ่งเขียนค่อนข้างที่จะเยอะมากยาวมากเนี่ยนะักของนุญาตแชร์ให้ไม่ทราบว่าท่านใช้นาปากกาว่าอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้นี้ก็บอกว่าเคยกลัวการมีลูก แล้วลูกจะดื้อลูกจะสนจนแทบไม่อยากจะมีลูกเพราะว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนแต่พอมีแฟนใหม่ก็เข้าใจอย่างนี้นะในบริบทเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะมีลูกแล้วกเ็เลิกรากันไปกับสามีคนไทยแล้วก็มาได้แฟนใหม่เป็นฝรั่งซึ่งก็ไม่สามารถมีลูกได้อีกเพราะว่าสามีเป็นหมันสามีที่เป็น แฟนฝรั่งเนี่ยนะครับช่วย เ, เรื่องการปรับพฤติกรรมเด็กได้มากเลยจากที่เขาเคยกลัวเนี่ยนะตอนนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วว่าอยากจะมีลูกแต่มันก็มีไม่ได้แล้วเพราะว่าสามีเป็นหมันผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังว่าตอนลูกสองขวบกว่าเนี่ยลูกก็เดิมเริ่มที่จะดือ้อที่จะสนตามประษาเด็กตอนนั้นก็เลี้ยงลูกคนเดียวใช้วิธีดุบ้าง ตีบังเอาไม้มาขู่บ้างตีอาจจะตีเบาๆเนี่ยถ้าเกิดทําผิดแต่นิสัยก็ยังไม่หายมีแต่จะแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือดื้อบังซนบังเถียงบ้างจนกระทั่งได้สามีฝรั่งนี่แหละมาช่วยปรับพฤติกรรมในนี้แนะนําอย่างนี้ว่าทั้งคู่คุยกันก่อนแล้วก็ตกลงกันก่อนว่าจะต้องฝึกลูกให้มีระเบียบวิ น, นัย จะกินจะเล่นจะดูทีวีจะอาบนั้นจะเข้านอนทุกอย่างจะต้องเป็นเวล่วลาไม่ใช่นึกจะทําอะไรได้ตามใจไม่ได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ถ้าจะมีการลงโทษก็จะหามุมให้เขานั่งบนเก้าอี้ที่พูดว่าหามุมให้นั่งบนเก้าอี้นั้นเนี่ยบางคนอาจจะเอ่อคำเกิดคําถามว่าทําไมต้องไปอยู่ตรงนั้นก็เพราะว่าบางคนนี่เอาลูกไปขัง ไปขังไว้ในห้องน้ำไปขังในห้องเก็บของไปขังไว้ในตู้เสื้อผ้ามันเป็นมุมมืดการที่เด็กไปถูกขังอยู่ในมุมมืดนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลในอนาคตในด้านจิตใจเช่นกลายเป็นคนกลัวที่แคบกลายเป็นคนกลัวความมืดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะลูกเวลาจะทำโทษเขาลูกไปนั่งบนเก้าอี้ตรงมุมห้องมุมห้องนั่งเล่น ซึ่งมันเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็พ่อแม่ก็จะมองเห็นได้ข้อนี้นี่มีข้อแนะนำว่าค่อนข้างสำคัญเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยลูกจะโดนทำโทษบ่อยแล้วเขาก็จะไม่ยอมนั่งมุมที่จัดไว้ให้แต่สามีฝรั่งนี่ก็บอกก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่อนุญาตเช่นเดียวกันกลับไปนั่งที่จะไม่ใจอ่อนและไม่ให้อธิบายลูกหลายครั้งบอกครั้งเดียวว่าทาผิดอะไร แล้วก็ให้นั่งอยู่ตรงมุมห้องนั่งเล่นที่ว่านั้นน่อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะยอมรับว่าผิดแล้วเดินมาขอโทษพ่อขอโทษแม่ตอนนั้นถึงจะอธิบายกับเขาดีๆซึ่งข้อนี้นี่ค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ต้องใจเย็นๆเนืน่องจากว่าออช่วงใหม่ๆช่วงแรกๆนี่ทำเป็น 10-10 ครั้งกว่าที่กว่าที่เด็กจะรู้เรื่องคือพอเราจับไปนั่งเขาก็จะลุกลุกมาก็จับเขาไปนั่งอีก วิธีการจับเขาไปนั่งอีกอย่าดึงอย่ากระชากให้เด็กรู้สึกเจ็บรู้สึกกลัวแต่ใช้วิธีจับหรือไม่ก็อุ้มให้กลับไปนั่งจนกว่าเด็กจะเหนื่อยและยอมแพ้สามีฝรั่งบอกว่าข้อนี้เป็นตัวกำหนดขอบเขตให้ลูกรู้ว่าใครมีอานาจในบ้านและลูกมีขอบเขตแค่ไหนในการทำอะไรไม่ใช่มีขอบเขตแบบ ไร่พรมแดนขนาดนั้นเ อ, อ่อถ้าเผื่อว่าเห็นลูกร้องเนี่ยช่วงใหม่ๆคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ก็คงจะสงสารลูกล่ะผู้หญิงคนนี้เล่าว่าใหม่ๆก็จะทะเลาะกับสามีด้วยเรื่องที่เห็นลูกร้องกระจององแง่ น, นี่แหละแต่ว่าด้วยความที่อยากเห็นเป็นลูกคนดีว่านอนสอนง่ายก็เลยอดทนระมัดระวังว่าถ้าพ่อกับแม่จะเถียงกันทะทะเลาะกันอย่าให้ลูกเห็น ไม่งั้นเขาก็จะจับจุดได้ว่าใครจะช่วยเขาแล้วมันจะไม่สําเร็จเช่นว่าแม่ก็ไปต่อว่าพ่อว่าทําลูกรุนแรงอย่างนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาแม่ทนไม่ได้แม่ก็จะไปโอบลูกอันนี้แหละเป็นเรื่องที่อย่าทำเนื่องจากว่าเด็กจะรู้ว่าต่อไปก็มีแม่เรามาช่วย อีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าอันนี้เป็นเทคนิคแบบฝรั่งนะผมอ่านแล้วก็นึกถึงตอนที่ไปเรียนคอร์สสั้นๆที่ที่ออสเตรเลียเจ้าของขอภัยอาจารย์ผู้สอนเขาก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันเทคนิคนี้เหมือนกันคืออะไรก็คือว่าเวลาที่เราคุยกับลูกนั้นเนี่ยให้เราคุกเข่าลงแล้วมองตาลูก หรือถ้าหากว่าเรานั่งอยู่บนโต๊ะเราก็อาจจะจับเขามานั่งอยู่บนขาของเราอย่ามองเขาด้วยสายตาที่โกรธอย่าพูดด้วยน้ําเสียงที่ข่มขู่เขาควรจะพูดให้นุ่มนวลอธิบายให้ชัดว่าเขาเนี่ยทาอะไรผิดตรงนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ทําให้เด็กรู้สึกว่าเราเท่ากับเขานั่นก็คือกรณีที่ เราเอาลูกมานั่งอยู่บนขาเราเพิ่มเผลอนี่ถ้าหากว่าเราคุกเข่าลงไปลูกอาจจะสูงเกินเกินเวลาที่เราคุกเข่าลงไปเด็กก็จะไว้เนื้อเชื่อใจเราตอนที่เรียนอยู่เนี่ยขนาดเราก็โตโตกันแล้วเนี่ยอาจารย์ผู้สอนเขาก็มาฟังเราหรือ เวลาเรามีคำถามหรืออะไรเนี่ยเขาจะนั่งคุกเข่าลงไปที่พื้นแล้วก็มองช้อนตาขึ้นมาที่เราซึ่งนั่งอยู่ที่บนเก้าอี้มิหญ่เราจะบอกว่าเออในเมืองไทยเราไม่สามารถทาอย่างนี้ได้นะถึงฉันจะแก่กว่าเธอฉันก็ไม่สบายใจที่คนเป็นครูอย่างเธอมานั่งคุกเข่าอยู่ที่บนพื้นฝรั่งอธิบายว่าการที่เขานั่งคุกเข่าบนพื้น แล้วพูดคุยกับเราในฐานะผู้เรียนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเรามีอำนาจเหนือเหนือเขาเพราะฉะนั้นเด็กก็เหมือนกันการที่เวลาเราเล่นกับเขาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเราอาจจะต้องคุกเข่าลงไปแล้วก็คุยกับลูกในระดับที่ใกล้เคียงลองจินตนาการว่าพ่อแม่ซึ่งก็สูงกว่าลูกอยู่แล้วเนี่ย และเด็กเวลาพูดกับเราเด็กก็จะเงยหน้าขึ้นมาการเงยหน้าขึ้นมานั้ น, นทาให้รู้สึกว่าเขาตกอยู่ใต้อำนาจของเราเพราะเราอยู่สูงกว่าเขาตัวใหญ่กว่าเขาเด็กจะมีจินตนาการที่ที่ไม่สู้ที่จะดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากพูดเขาอาจจะตกกรใจกลัววิธีนี้ก็เห็นด้วยนะครับถ้าหากว่าจะคุยกับเด็กๆ เ, เนี่ยเนาะอุ้มเขาขึ้นมามานั่งอยู่บนตกักหรือไม่ เ, าเราเองนั่นแหละที่จะคุกเข่าลงไปอย่าไปคิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะคุกเข่าลงไปหาลูกไม่ได้อั น, นี้มันคนละคนละประเด็นกันเดี๋ยวถ้าลูกโตขึ้นค่อยว่ากันเหมือนอย่างสังคมชาวจีนอย่างเงี้ยถ้าหากว่าลูก ทำผิดแล้วก็พ่อแม่พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ ว, ล, วลูกรู้สึกผิดลูกก็ จ, จะคุกเข่าอยู่หรือถ้าพ่อแม่ทำโทษแล้วก็จะเห็นในหนังจีนอยู่เป็นประจำคุกเข่าอยู่ตรงนั้นคุกเข่าอยู่หน้าป้ายบูชาป้ายบัมพะบรุษจนกว่าจะสำนึกอันนี้เราก็เห็นเห็นอยู่บ่อยเป็นประจำขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าลูก ก็ทำให้พ่อแม่เสียใจถึงขนาดที่พ่อแม่ลงทุนคุกเข่าลงไปขอร้องภาพแบบนี้นี่คนจีนถือมากนะครับสำหรับการที่พ่อแม่ผู้ใหญ่คุกเข่าลงไปเนี่ยถือเป็นเป็นภาพที่สร้างบาปให้เกิดขึ้นในใจของของเด็กๆนั่นเป็นเรื่องที่ ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมชาวจีนบางคนถึงไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการที่ชายหนุ่มจะคุกเข่าขอความรักจากหญิงสาวคุกเข่าขอแต่งงานกับหญิงสาวพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะคุกเขา่าคนเราจะคุกเข่านั้นจะคุกเขาก็ให้แต่พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่ไม่ใช่พร่ำเพรื่อ นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นจิตวิทยาที่เอาไว้สอนลูกเล็กๆที่ดื้อๆยังมีอีกหลายวิธีแหละก็มีหลายเหตุผลที่เราจะทำหรือเราจะไม่ทำเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาคุยกันต่อครับรายการเพลินภาษานาน า, นาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ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 จากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ้นลง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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2561ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีจึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทางถนนรงังสิตนครนายกช่วงกิโลเมตรที่13ครอง6จังหวัดปทุมธานีโปรโดตรวจสอบการจราจรและวางแผนการเดินทางในระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม2562สอบถามสภาพการจราจรได้ที่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 กระถูในพันทิปว่าด้วย เ, เรื่องการปราบลูกดือ้อลูกซนลูกใช้กำลังควรจะทำอย่างไรเขาก็แนะนำหลายประการมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกว่าการให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆมอบหน้าที่เล็กๆน้อยๆให้เขาทำเป็นประจำทุกวันนั้นเนี่ยจะทำให้เขารู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบ แต่ยังไงก็ตามแต่เขาคงต้องปล่อยให้เล่นสนบ้างตามประษายาห้ามเสียทุกเรื่องถ้าเผื่อว่าพิจารณาแล้วว่าเรื่องนั้นมันไม่ทำให้เกิดอันตราย อ, อ, อาจจะเลอะเทอะบ้างก็คงต้องปล่อยไปเพราะว่าพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างนั้นเนี่ยเช่นว่าทำน้ำหกนมหกขนมหล่นหรืออะไรเงี้ยมันก็พอจะทาความสะอาดได้ก็ไม่เป็นไรที่สำคัญคือควรฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในหลายๆด้าน ถึงว่าเขาจะทำได้ไม่ดีพอก็ไม่เป็นไรกินข้าวเองใส่เสื้อผ้าเองเป็นต้นอันนี้เมื่อลองเทียบกับคนไทยแล้วคนไทยเราจะจะป้อนข้าวลูกจะอะไรอย่างเงี้ย ก, กระดุมใส่เสื้อใส่ผ้าลูกจะแทนลูกว่างั้นเหอะแล้วก็อย่าเลี้ยงลูกให้กลัวเจ็บหกล้มเลือดออกนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาเด็กก็จะได้เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้า วิ่งเร็วแล้วมันหกล้มก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะไม่ทําอีกนึกภาพว่าถ้าเลี้ยงลูกแบบคนไทยเราจะเลี้ยงยังไงลูกล้มลูกวิ่งมาชนเอามุมโตะ๊ะขอบโตะ๊ะอะไรตกเตียงหรืออะไรก็ตีพื้นตีโต๊ตีเตียงหาว่าเอา่อพวกนี้ไปทําให้ลูกเขาเจ็บแล้วก็ไปเป่าเพียงเพียงเพียงที่แผลอา้าลูกก็เลยกลายเป็นคนที่ หนึ่งไม่เคยโทษตัวเองสองหลงอยู่ในไสยศาสตร์หลงอยู่ในอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกไม่ได้ก่อแต่พ่อแม่นั่นแหละที่ทำให้ลูกเป็นอย่างนั้นที่พูดว่าลูกหลงเข้าไปอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ก็เพราะเราก็เป่าเพียงหายเพียงหายแล้วลูกอายาร้องอย่าร้องนะ แล้วบางทีก็ยังไปบอกอีกว่าอื๊ปึดป๊ดปดลูกผู้ชายอย่าร้องนะปึดป๊ดๆอ่ะก็เป็นอย่างนี้ลูกผู้ชายก็เลยโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เก็บกดเพราะว่าเจ็บอยากจะร้องก็ดันทะลึ่งไม่ได้ร้องซะงั้นเคยอยู่กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมาเนี่ยนะสอนเด็กตาบอดแล้วก็สอนแบบแบบที่เราได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างนั้นแต่วันหนึ่งเนี่ย เด็กตาบอดนั่นแหละที่สอนเราว่าการที่เร า, เาดูแลเขาแบบนี้มันไม่ถูกเรื่องของเรื่องก็คือว่าเจ้าปั๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยอายุประมาณ6ขวบนิดนิดเองมาเรียนหนังสือตัวก็เล็กๆผอมๆบางๆเนี่ยนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะมาอยู่ในโรงเรียนเด็กมันก็จะวิ่งเล่นกันไปเรื่อยๆก็วิ่งไปวิ่งมาเด็กตาบอร์ดด้วยซ้ําไปเล่นไปเล่นมาหกขลม้มเลือดออกตรงหัวเขา่า แเราก็เป่าเพียงหายเพียงหายเด็ก6กขวบกว่ากลับบอกว่าจะมาเป่าอย่างนี้แล้วมันจะหายได้ยังไงพาไปทายาสิเป่าเพียงหายเพียงหายมีที่ไหนเรานั่นจึงเป็นต้นต้นกําเนิดของการที่คิดขึ้นมาว่าจริงด้วยเราไม่ควรที่จะไปเพียงหายเพียงหายขนาดเด็กตาบอกก็ยังคิดได้ขนาดนั้นในวัยหกขวบเศษ เราเองในตอนนั้นก็20่สิกว่ายีกว่าปีเข้าไปแล้วก็แล้วได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไรเราก็มักจะเลี้ยงลูกต่อไปอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ถ้าหากว่าลูกหลานไม่จะโซนบ้างจะอะไรบ้างก็ก็จะต้องสอนความจริงให้กับเขาให้เขารู้ว่าเขาทําตัวของเขาเองบอกอ๋อก็เธอวิ่งวิ่งเร็ววิ่งโซนเป็นไงล่ะไม่ดูตาม้าตาเรือก็สมควรแล้ว มาทายาเออเราก็ค่อยพาไปทายาเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเขาผิดต่อไปเขาจะได้ไม่ทำอ่ะมาถึงผู้หญิงคนนี้ในพันทิพ์ก็ยังบอกอีกว่าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักสองเดือนลูกวัยเด็กนั้นก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นสองขวบครึ่งแยกห้องนอนนอนคนเดียวได้เข้าห้องน้ำเองได้พูดถึงตรงนี้นี่หลายคนคงนึกถึงตัวเองว่าลูกเรา อย่าว่าแต่สองขวบครึ่งเลยบางคนลูก 8-9 ขวบ10ขวบก็ยังนอนกับพ่อกับแม่ยันไปจนถึงชั้นมัธยมไหนก็ตามแต่พอลูกเขาแยกไปนอนคนเดียวได้เข้าห้องน้ำเองได้ทุกอย่างก็จะเป็นระบบอาจจะมีบ้างแหละดือ้ออาการหลุดออกมาบ้าง 3-4 สเดือนจะจะหลุดออกมาก็อาจจะง ง, ง, งว่าเอา้าทำไมอยู่ดีๆวันนี้กลับมาดื้อแบบนี้อีกร้องกรี๊ด หลุดโลกไปขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะต้องกลับไปจุดตั้งต้นใหม่ลูกสองขวบครึ่งร้องกรี๊ดกรี๊ดเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็จับไปนั่งมุมห้องก็จับกันเป็น1ิบรอบเหมือนเดิมแฟนฝรั่งของเจ้าของกระทุกก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาวัยของเขาเขารู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วอะ่ะเขาควรจะมีขอบเขตมากกว่านี้ เขาก็จะแสดงพฤติกรรมนี้เพื่อหาขอบเขตว่าเขาทำอะไรได้มากแค่ไหนอยู่ที่ว่าพ่อกับแม่จะยอมรับเขาได้หรือเปล่าถ้าหากยอมรับได้ขอบเขตเขาก็จะกว้างขวางใหญ่โตแต่พ่อแม่ก็ต้องสอนว่าอย่าพึ่งขอบเขตของเธออยู่ได้แค่ตรงนี้เท่านั้นเป็นเรื่องที่พฤติกรรมอาจจะวนเวียนกลับมาได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ถ้าหากเราเลี้ยงบุตรหลานได้ดีมันก็จะปรับ รายไปแล้วก็นานๆถึงจะถึงจะดีดีขึ้นไปเรื่อยๆออผู้เขียนบอกว่าตั้งแต่เจ็ดขวบมาก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องทำโทษด้วยการจับไปนุ่งไปนั่งอะไรแล้วจ่ยอมรับว่าหลายครั้งก็ทะเลาะกับสามีเพราะว่าเห็นลูกร้องไห้แต่ด้วยความที่เพื่ออยากจะให้ลูก ได้ดิบได้ดีก็อาจจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจเช่นว่าลูกขอเข้านอนช้าสักชั่วโมงได้ไหมสมมุติกําหนดลูกให้นอนซักสามทุ่มลูกจะขอดูโน่นดูนี่สามีก็ จ, จะบอกว่ากฎก็คือกฎหรือถ้าจะไปพูดคุยกันก็ จ, จะเป็นไปได้เช่นว่าวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ ก็อาจจะขยายให้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะดูหนังฟังเพลงหรือจะเล่นเกมอะไรตามปราษาเด็กๆแต่ขนาดเดียวกันก็คงต้องมีแรงจูงใจในเชิงบวกเช่นเขาเป็นเด็กดีทำน้่นนี่นั่นได้ดังใจก็อาจจะพาไปเที่ยวไปทำกิจกรรมที่เขาชอบซื้อของของเล่นราคาแพงก็ก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ส่งเสริมให้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ถ้าหากว่าในครอบครัวเราหรือถึงถึงจะไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมีปู่ย่าตายายเนี่ยสังคมไทยกับสังคมฝรั่งเนี่ยเาคิดไม่เหมือนกันการที่ลูกร้องกระจององแงแล้วลูกไปนั่งอยู่ตรงมุมมุมห้องมุมที่นั่งเล่นอะไรเงี้ยปู่ย่าตายายจะไม่ถูกัทยาสายัยก็ต้องคุยกันก่อนว่า เวลาทำโทษนั้นเนี่ยปู่ย่าตายายอายา่ย า, ยาเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่าไปเปลี่ยนกฎเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะเข้าใจยากเด็กจะสับสนว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ก็สสำคัญคืออย่าตีลูกอย่าใช้กำลังอันนี้เป็นกฎเหล็กสำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานการใช้ความรุนแรงกับเด็กไม่ได้มีข้อดีมีแต่จะสร้างผลเสียแล้วก็เพิ่มแรงกดดัน ให้เขายอมเพราะว่ามีการใช้กำลังเด็กโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้กำลังสำหรับการตัดสินใจผู้หญิงคนนี้บอกว่าทุกวันนี้ภูมิใจในตัวลูกมากแปดขวบแล้วเป็นเด็กดีรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบตามวัยเข้านอนเป็นเวลาอ่านหนังสือทำการบ้านซ้อมไวโอลิน เ, เล่นโน่นเล่นนี่ได้ตามที่ มีข้อตกลงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างเป็นระบบแต่ น, นี่ถ้าหากว่ามีเรื่องที่จะกลุ่มใจเกี่ยวกับเรื่องลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลปัญหาคือบางคนพอตัดสินใจที่จะเอาลูกเข้าโรงเรียนไปแล้วเนี่ยนะบางคนอาจจะเริ่มเรียนเร็วหน่อย ตั้งแต่เนอร์เซอรี่แล้วก็ค่อยไต่ไปคินเดอร์การ์เนหรือโรงเรียนอนุบาลจะโรงเรียนอินเตอร์ไม่อินเตอร์ก็ไม่รู้ละบางคนนี่ทำใจไม่ค่อยได้หรอกเวลาเห็นลูกร้องในวันแรกของการไปเรียนเดี๋ยวนี้จิตวิทยาสำหรับการเลี้ยงดูลูกให้เข้าเรียนในวัยอันสมควร น, นั้นเนี่ยก็มีเทคนิควิธีเยอะเช่นว่า ออตอนซัมเมอร์สมัครเรียนแล้วก็มานั่งเรียน เ, นเล่นๆก่อนสักครึ่งวันโดยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ จ, จะนั่งดูอยู่ด้วยแล้วต่อมาก็ค่อยๆห่างไปห่างไปเปิดเทอมวันจริงเนี่ยเด็กก็จะคุ้นชินกับโรงเรียนแต่เด็กก็คือเด็กกันนะถ้าหากว่าตัวเอง ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีว่าไปโรงเรียนสนุกนะมีเพื่อนนะได้เล่นด้วยนะได้ร้องเพลงได้เล่นก๊อกไก่ขะไข่เลยเด็กอยู่บ้านเนี่ยก็จะฟังเราดีแหละแต่พอไปโรงเรียนเห็นเพื่อนร้องเท่านั้นเองประสานเสียงกันเลยนี่เป็นเรื่องที่ธรรมดาของเด็กซึ่งก็เข้าใจยากเด็กหนึ่งคนน่ะต้องต้องใช้วิธีเลี้ยงซึ่งนับกันเป็นร้อยรอยวิธี ก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวแล้วก็เลี้ยงเด็กเป็นร้อยคนได้ขนาดเด็กหนึ่งคนยังต้องใช้เทคนิควิธีในการเลี้ยงเขามากมายขนาดนั้นเอาละมีเรื่องที่เราคงต้องพูดคุยกันว่าถ้าหากว่ามีลูกวัยอนุบาลแล้วลูกจะต้องเข้าสู่สังคมโรงเรียนตัวพ่อตัวแม่อย่างเราเนี่ย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 เอญพบเธอเป็นอื่นฉันนอนคิดตลอดคืนใ ย, ยสามชื่นจึงมาเปลี่ยนใจบาดหัวใจเลือดีสื่ อ, อยังนี้เขายังทำได้ แล้วจะรักกันอย่างไรเธอมีไหมก็ควรบอกฉันนี่เธอไปเพลินกับคนอื่นใ ย, ยสาบเชื่อทำเช่นนั้นขอบอกว่ามันบาดใจกัน ทำอย่างนั้นฉันงงไม่ไหวบาดหัวใจเหลือทนหน้าฉ ง, ง้นที่เธอมาไหนารักเธอนั้นมากลับกลายเธอมาไหนา h e a p h o n e s งนที่เธอมาไหนรักเธอนั้นมากลับ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับผมโปรยเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเรามีลูกวัยอนุบาลเราควรจะต้อง ปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะว่าลูกเนี่ยเข้าสู่สังคมโรงเรียนแล้วบางคนก็จะทําใจไม่ค่อยได้เช่นว่าเห็นลูกร้องไห้เห็นลูกกลับมาถึงบ้านก็มาเล่าว่าโดนคนนั้นแกล้งคนนี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกมีการบ้านแล้วลูกไม่อยากทําอะไรก็เลยเป็นปัญหามีข้อแนะนําจากเพจซึ่ง น่าจะเป็นเพจชื่อว่าโอ m มลลูกประมาณอย่างนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ <c oughs> ในนี้แนะนำว่าถ้าเผื่อว่าลูกเข้าสู่สังคมโรงเรียนเก้าเรื่องที่พ่อแม่ควรจะต้องปฏิบัติคืออะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งฝึกทักษะชีวิตให้ลูกเพื่อเตรียมความพร้อมตามวัยของลูกพอลูก ต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนเนี่ยลูกก็จะไม่มีคุณพ่อคุณแม่คอยมาติดตามดูแลช่วยเหลือทุกเรื่องเหมือนตอนที่อยู่บ้านแล้วละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยขาดทักษะชีวิตเวลาที่ลูกมาโรงเรียนลูกก็จะทําอะไรไม่ทันเพื่อนนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าลูกของคนอื่นเขาเตรียมมาให้แล้วแต่เรายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยมันก็จะทําให้ลูกเรา แตกต่างจากคนที่เขาทำได้ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะการเข้าสังคมของลูกได้แล้วก็ทำให้ลูกเสียเวลาในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆในห้องเรียนด้วยดังนั้นพ่อแม่พวกครองจึงควรต้องช่วยลูกในการฝึกทักษะเบื้องต้นก่อนตามวัยของเขาเช่นรับประทานอาหารก็อย่าไปป้อนเขาตลอดเวลา ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนั้นเลิกได้ไหมถ้าเลิกได้ก็ควรต้องเลิกสักทีนึงแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกก็จะติดอยากจะฉี่ก็ฉี่อย่าจะถ่ายก็ถ่ายรวมไปถึงการสอนให้ลูกบอกความต้องการกับคุณครูเช่นว่า หิวเช่นว่าลูกอยากจะไปดื่มน้ำอยากจะไปห้องน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปถึงเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าเองเป็นต้นเด็กอาจจะยังผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรโถอยาว่าจะผูกเชือกรองเท้าเลยการใส่รองเท้าให้ไม่สลับข้างนี่ก็เก่งมากแล้วละ่ะให้เขาสังเกตว่าอะไรอยู่ซ้ายอยู่ขวากค็ค่อยสอนเขาไปอันนี้คือเรื่องที่หนึ่ เรื่องที่2ก็คือพ่อแม่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายของโรงเรียนอย่างค่อนข้างจะเคร่งครัดนิดนึงถามว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นก็เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวลูกคือลูกเห็นแบบอย่างที่ดีดีต่อสังคมด้วยเช่นว่าพ่อแม่เวลาไปรับไปส่งลูกเนี่ยการแต่งกายก็มีส่วนสําคัญ อย่าให้มันสั้นไปมันบางไปมันโป้ไปเสียจนเกินงามการจอดรถจอดราการขับรถมารับมาส่งลูกเนี่ยนะขอให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเพื่อให้การจัดการแต่ละด้านของโรงเรียนนะั้นเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วสังคมก็จะอยู่กันอย่างดีเราเห็นบ่อยทีเดียวนึกจะจอดก็จอดมันตรงนั้นขนาดอย่าว่าแต่โรงเรียนนะูบานเลยนะ โรงเรียนมัธยมชื่อดังผมไปยืนรออยู่แถวๆป้ายรถเมย์นี่ตำรวจก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็เป่าปิดปิดแล้วบอกว่าให้ขับไปข้างหน้าหน่อยห่างออกไปเนี่ยนะรถข้างหลังมันจะได้ไม่ติดมากข้างหน้ามันโล่งอยู่ละก็ไม่ไม่รู้ว่าลูกขี้เกียจลูกดือ้อหรือว่าพ่อแม่นั่นแหละที่ดือ้อแม้แต่เป็นตำรวจนี่จะเรียกมาสั่งปรับสักทีสิว่าทําไมถึงได้ ทำตัวอย่างนี้ขับเลยไปหน่อยแล้วลูกก็เดินย้อนมาหน่อยมันก็คงไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากระยะเวลาก็ไม่ได้ไกลามากเด็กป่าเด็กดอยเขาเดินกันเป็นกิโลกิโลเพื่อไปเรียนหนังสือแต่แม้คนในเมืองกรุงนี่เห็นแล้วก็ขอประธานอภัยนะที่จะพูดดํามันไส้แล้วเกินว่าทําไมถึงได้ตัวเองนั่นแหละที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูก จอดตรงนี้แป๊บเดียวถ้าแต่คนละแป๊บแป๊บแป๊บหลายแป๊บมันก็จะหลายกิโลพอสมควรอันนี้ก็นินทาเรื่องพวกครองไปมาถึงประการที่สามคือกรณีที่ลูกป่วยยาเอาลูกไปเรียนหนังสือจะต้องให้หยุดเรียนถึงจะป่วยเล็กน้อยเพื่อตัดวงจรการแพร่เชือ้อลูกป่วยต้องหยุดนะครับอยู่บ้านรักษาให้หายดีก่อนแล้วก็ ถึงจะไปโรงเรียนนี่บางคนลูกป่วยตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ไปโรงเรียนหน้าซ้ําก็ฝากยาให้คุณครูช่วยป้อนด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยของเด็กในวัยอนุบาลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้จะบอกว่าป่วยกันหลายคนแล้วก็ติดโรคกันไปโรคตาแดงมืนจะตีดกันไปทั่วโรคหวัดเออโรคอะไรเอยเพราะนะักปกครองก็กรุณาเอาลูกไว้อยู่ที่บ้านอย่าให้ไปเรียน ป่วยแล้วในข้อที่4ป่วยแล้วหยุดเรียนแล้วก็เก็บตัวหายดีอย่าออกไปนอกบ้านหมายความอย่างนี้ว่าพอเห็นลูกไม่ได้ไปเรียนหนังสืออาการเล็กน้อยอยู่บ้านลูกก็เบื่อไม่รู้จะทําอะไรก็เลยพาลูกไปข้างนอกไปเดินห้างไปเที่ยวซื้อของไปกินขนมกิขนขาต้มอย่าลืมมาลูกยังป่วยอยู่อาจจะอยู่ในระยะแพร่เชือ้อ และที่สำคัญเด็กเองเมื่ออยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยนั้นเนี่ยภูมิต้านทานก็จะไม่พอจะป่วยหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่แต่ในบ้านประการที่5คือเวลาเด็กเขาเล่นกันเนี่ยมันก็อาจจะหนักนิดเบาหน่อยซึ่งก็ต้องให้อภัยกันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กมันจะเล่นกันแบบแรงสักนิดน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าความหนักความเบาความเจ็บ ความแรงอะไรเงี้ยเขาจะยังไม่ค่อยเข้าใจเช่นตีเพื่อนเผลอตีหนักไปหน่อยตีกันไปตีกันมาแรงไปมีแผลบ้างมีรอยเก็บช้ำบ้างอะไรผู้ปกครองถ้าเผื่อว่าไม่ทําความเข้าใจไม่เปิดใจยอมรับแล้วเราก็ก็อาจจะเกิดกรณีพิพาทกันขึ้นมาก็ได้พิพาทตั้งแต่ผู้ปกครองด้วยกันบางทีก็ไปถึงครูบาอาจารย์อย่าพึ่ง ใช้อารมณ์ตัดสินเพราะว่าเด็กยังต้องอยู่อีกนานในโรงเรียนนั้นข้อที่6คือใช้ลายกลุ่มผู้ปกครองให้ถูกวิธีซึ่งมันจะสร้างประโยชน์มากยุคนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยการมีเฟซการมีลายเป็นเรื่องปกติการสร้างกลุ่มลายขึ้นมาในกลุ่มผู้ปกครองนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่าห้องเดียวกันสื่อสารกันแล้วก็แต่ก็ต้องเลิกส่วนลูกเลิก เรื่องของสงรูปสวัสดีวันจันทร์ดอกไม้สีเหลืองสวัสดีวันนังคารดอกไม้สีจมูกอะไรเงี้ยวันศุกร์วันเสาร์ก็มีถ้วยกาแฟอันนี่ก็เลิกสักทีหนึ่งเพราะดู่าเชยเหลือเกินถ้าเราจะมีกลุ่มไลน์ก็อาจจะปรึกษาหารือกันหรือไม่เข้าใจลูกมาบอกว่าแม่วันจันทร์โรงเรียนหยุดพ่อแม่ก็อาจจะงงว่าหยุดเพราะอะไรหรืออาจจะถามกันในกลุ่มไลน์ก็เป็นไปได้ ถ้าเบื่อใครมีเรื่องส่วนตัวก็อย่าไปแปะในกลุ่มลายให้ลายส่วนตัวจะดีกว่าข้อที่7คือเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมมีอะไรเนี่ยนะพ่อแม่ก็ควรจะต้องไปร่วมถ้าเบื่อเป็นไปได้โดยส่วนตัวการที่เที่ยวมาจัดวันพ่อวันแม่มี แม่ดีเด่นมีเอาดอกไม้มาให้แม่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้เพราะว่าบางคนที่ ไม่ได้อยู่กับแม่เห็นคนอื่นมีแม่มาอะไรเขาอาจจะน้ําตาเล็ดน้ําตาร่วงก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ฝากสําหรับโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมพวกนี้ว่าถ้าคุณจะจัดคุณก็ลองไปจัดเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้กิจกรรมเล่านิทานกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนหรืออะไรก็ได้ข้อที่8นี่คือพ่อแม่ต้องเข้าใจแล้วก็ไว้ใจครูเมื่อเรามอบหน้าที่ ดูแลลูกให้อยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์แล้วเราก็ควรจะต้องปล่อยไปอย่างนั้นมองห่างห่างแต่อย่าถึงขนาดว่าคอยจับผิดไปกดดันครูบาอาจารย์อย่าใช้วิธีอย่างนี้เลยสอบถามคนรอบข้างหรืออะไรบางที่ลูกเราผิดแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของเรานั้นผิดแต่อย่าไปหาว่าครูอคติกับลูกเราอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่า ครูหนึ่งคนต้องดูแลเด็กเป็น1ิบนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกและประการสุดท้ายประการที่9มีข้อแนะนำคือควรจะต้องทำความรู้จักพ่อแม่ท่านอื่นๆของเพื่อนลูกด้วยเพราะว่าเราอาจจะมีเหตุตุรัปะปังที่อาจจะรบกวนให้เขาช่วย รับลูกมาให้เราหน่อยเพราะเราติดทุละแล้วก็จะมีสังคมใหม่เพื่อนใหม่เผยเป็นเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กในเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้โดยใช้ลูกนี่แหละเป็นสะพานอันนี้เป็นข้อแนะนำที่ได้รับคําแนะนำมาจากเพจชื่อว่าโอ้ใหม่ลูกนะครับมีข้อแนะนาอีกหลายประการแต่ด้วยเวลาจากัดคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับรายการ